นะโมตัสสะปะกวาโตระหัโตสมมาสมพุทัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตระหัโตสมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตระหัโตสมมาสมพุทัสสะกอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยโปรองเองโปร่งนั้น ฟังธรรมคาพุท ธ, ธะสามัญญผลสูตรที่คณนิกายเล่มที่เกข้อที่เกอดมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในสวนมะม่วงของหมอชีวกโคมารพัฒใกล้พระนรครราชกฤพร้อมด้วยพิสุสงมูใหญ่ประมาณ1250หรูป ในวันนั้นเป็นวันอุโบสถส5ห้าคำเป็นวันครบสี่เดือนเป็นฤดูที่ดอกโกมุตกือดอกบัวบานในคืนอันเป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงพระชา้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาตศสตรูเวทหิบุตรแวดล้อมด้วยราชอมาตย์ประทับนั่งณนะพระมหาประสาทชั้นบน ในขณะนั้นเท้าเต๋อได้เปล่งมุทานว่าท่นอาหมตดทั้งหลายในคืนนี้มีดวงเดือนจ่มกระจางน่ารื่นรมเนาะราตรีมีดวงเดือนจ่มกระจางช่างงามจริงเนาะราตรีมีดวงเดือนจ่มกระจางน่าเบิกบานจริงเนาะในราตรีนี้มีดวงเดือนจ่มกระจางเข้าลักษณะดีเนาะ ก็ในวันนี้เราควรจะเข้าไปหาสมณะหรือปรามผู้ใดดีดนอะซึ่งจิตของเราผู้เข้าไปหาพึงเลื่อมใสได้ในที่นั้นอรมาต่างๆก็ได้กราบทูถึงเจ้าลัทธิที่มีอยู่ในสมัยนั้นเช่นเจ้าลัทธิบุรณะกัสบาเป็นต้นแต่พระชาอาชาติศตรูก็ยังนิ่งอยู่ก็ในสมัยนั้น หมอชีวกโกมารพัฒน์นั่งนิ่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระเช่าอาชาติศตรูพระเช่าอาชาติศตรูจึงได้ตรัสถามหมอชีวกว่าชีวกกับผู้สายเธอทําไมจึงนิ่งเสียเล่าหมอชีวกโกมารพัตน์ได้กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพพระผู้มีพระภาคหลันต่าสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสวนมะม่วง ของข้าพเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณหนึ่ร้อรูปก็เกียรติศัพท์อันงามของพระองค์ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระหรันรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิจารและจารณนะเป็นผู้ไปแล้วดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นสารตีที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยาไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์หย่างนี้ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นเถิดเพราะว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะทาจิตให้เลื่อมใส พระเจ้าอาชาติศัตรูจึงได้สั่งการให้เตรียมยานบาร์นาไว้และเมื่อเสด็จไปถึงยังสวนมะม่วงพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เกิดความหวาดหวั่นครั่นคร้่มทรงมีขนพองคือขนลุกสู้เจอได้มีความหวาดหวัน่นเพ่นปรึงอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสกับหมอชีวกบา่าชีวกบผู้หาย ท่านไม่ได้ลวงเราห ร, อหรือท่านไม่ได้หลอกเราหรือเปล่าท่านไม่ได้ล่อเรามาเพื่อหาศัตรูหรืออย่างไรทำไมในที่นี้มีหมู่ภิกษุตั้ง 1,250 รูปแต่ไม่มีเสียงจามไม่มีเสียงแกรแอ ม, มหรือเสียงปุ่มพําเลยหมอชีวโกโกมารพัฒนได้กราบทูลกับพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าขอพระองค์อย่าได้วาดกลัววันเกรงเลยพระเจ้าา ข้าพระพระเจ้าไม่ได้ลวงพระองค์ไม่ได้หลอกพระองค์ไม่ได้ล่อพระองค์มาให้ศัตรูเลยขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเถิดนั่นที่ศาลาแห่งนั้นมีประทีปจุดไว้อยู่ลำดบับนั้นพระเจ้าอาชาศสตรูได้ดำเนินไปจนถึงศาลาแห่งนั้นได้ประทับนั่งพิงเสากลางพินพระพักไผ่าังทิ่ตะวันออกที่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมอยู่ แลแบบนั้นเท้าเธอจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ปัฏฐ์จเรืองแลเห็นภิกษุสง์นิ่งสงบเหมือนห่วงน้ำใสทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าขอให้ลูกของเราที่ชื่อว่าอุทยพัฒน์จงมีความสงบอย่างภิกษุสง์อย่างนี้เถิดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าม้าบพิ พระองค์เสด็จมาทั้งความรักพระเจ้าค่ะบุตรของข้าพระองค์ชื่ออุทยพัฒกุมารเป็นที่รักของข้าพระองค์ขอให้อุทยพัฒราชกุมารของหม่อมฉันจงมีความสงบอย่างภิสูจทรงเดี๋ยวนี้เถิดลําแบบนั้นพระชาอาชาตศัตรูได้บรารอที่จะถามคําถามกับพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคให้โอกาสจึงได้ กระถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ระอผู้เจริญศิลและประสาทเป็นอันมากเหล่านี้คือบุคคลที่อยู่ในกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถกองจัตุรงค์ประจํากองกองเสนาธิการกองพลทการกองยุทธการไฟกองราชบุรุษกองจู่โจมกองมหานาคกองคนกล้ากองโล่ไม้กองเกราะโล่หนัง กองทาตช่งตางทำขนมช่างตัดผมพนักงานเครื่องทรงพวกพ่อครัวช่างดอกไม้ช่างย้อมช่างหูกช่างจักสารช่างหม้อนักคำนวณ น, นักบัญชีหรือศิลปศาสตร์เป็นอันมากแม้อย่างอื่นใดที่มีกติเหมือนอย่างนี้คนเหล่านั้นย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์ เลี้ยงชีพในปัจจุบันด้วยและผลแห่งศิลปศาสตร์นั้นเขาย่อมบำรุงตนบำรุงมารดาบิดาบำรุงบุตรภรยามิตรอมร์ให้เป็นสุขอิ่มนำสำราญบำเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลเลิศในเบื้องบนทำให้มีความสุขเป็นผลตอบแทนเกิดในสวรรค์แด่สมณพราหมณ์ทั้งหลายฉันใดค่าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์อาจจะบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนอย่างนั้นได้บ้างหรือไม่พระเจ้าข้าคือในเรื่องเดิมนั้นมีว่าพระเจ้าอาชาสตรอนั้นได้เคยไปถามคำถามนี้คือเรื่องของผลของการประพฤติปรมจันกับเจ้าลัที่ต่างๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัิที่ชื่อบุรุณ ก, กัสปะเจ้าลัทิมคลิโคสาล เจ้ารัติอาชิตาเกศกัมพลหรือเจ้าลัติปกุทะกระจายนะหรือเจ้าลัตินิกรณ น, นาฏบุตรหรือเจ้าลัติสัญชัยเวรัตบุตรแต่เจ้าลัติต่างๆเหล่านั้นกลับตอบเรื่องทิฐิความเห็นอย่างต่างๆตามที่ตนสอนไม่ได้ตอบเรื่องสามัญญผลเปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วงกลับตอบขนุนสัมะลอ หรือเขาถามเรื่องขนุนสามะลอกลับตอบเรื่องมะม่วงดันงนี้แล้วพระเจ้าอาชาติสตรูมีความคิดว่าฉะไหนคนอย่างเราจะพึงมุ่งลุกรานสมณนะหรือพรามผู้อยู่ในราชอาณาเขตดันงนี้แล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของเจ้าลอที่เหล่านั้นไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้เปล่งวาจาสแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือ ไม่ใส่ใจถึงวาจานั้นลุกจากที่นั่งนั้นแล้วหลีกไปในที่นั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงได้ตรัสถามคำถามเรื่องผลของการประพฤติพรหมจรรย์กับพระผู้มีพระภาคและได้ตรัสต่อไปว่าข้าแต่ปรุงผู้เริญพระองค์อาจจะบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่พระเจ้าข่ามหาบพิษ สามารถตอบได้อยู่แต่ในข้อนีอนมามภาพจะขอย้อนถามมาปพิษก่อนโปรดตอบตามที่เห็นสมควรสมมติว่าจะเพิ่งมีบุรุษผู้เป็นท้าทกรรมกรที่มีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังคำสั่งของพระองค์จะโปรดให้ทำอะไรก็ได้ประพิเป็นที่ถูกใจทูลปลาัยเป็นที่โปรดปราน บุคคลนั้นเขามีความคิดอย่างนี้ว่าคติของบุญวิบากของบุญน่าสจัจ น, นะไม่เคยมีมาเลยความจริงพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูผู้เวเทหิบุตรพระองค์นี้ก็เป็นมนุษย์แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระราชาองค์นี้ทรงเ อ, อิบอิ่มเรียบร้อยด้วยการมากุฎทั้งห้าให้เขาประกอบประงมอยู่ ส่วนเรานี้สิเป็นทาตรับใช้ของพระองค์ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังรับสั่งว่าโปรโดจะให้ทำอะไรต้องประพฤติให้เป็นที่ถูกพระไทยต้องคอยทูนปลาสายให้เป็นที่โปรโดปรานเราจะพึงทาบุญจะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่านถ้ากไกรเราจะพึงปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือน สมัยต่อมาเขาก็ได้ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีรวยแล้วเป็นผู้สมรวมกายสมรวมมาจาสมรุมใจอยู่สันโดษอยู่ด้วยอาหารบินทบาทเป็นกครื่องบริหารท้องและสันโดษอยู่ด้วยการมีชีวรเป็นกครื่องบริหารกายยินดีในความสงัดและถ้าพวกราชบรุษัทก่องรง จะพึ่งกราบทูลเรื่องนี้กับหล่งมหาปพิธจะพึ่งตรัสอย่างนี้กับบุคคล น, นั้นหรือเปล่าว่าเฮ้ยคนนั้นจงมารับใช้ข้าจงมาเป็นทาสกรรมกรของข้าจงตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังคำสั่งประพฤทิให้ถูกใจทูลปราัยให้เป็นที่โปรดปรานตามเดิมอย่างที่เคยทำนั่นอีกแต่ที่นั้นพระเจ้าชาติศัตรูตรนว่า ราะนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่ประเจ้าะอันที่จริงม่อมฉันที่อีกควรจะไหว้เขาควรจะลุกรับเขาควรจะเชิญเชิญให้นั่งควรจะบำรุงด้วยจีวรบินบาตเสนาสนะกีฬณะปัจใจเภสัชบริการควรจะจัดการรักษาป้องกันกุ้มกรองเขาอย่างเป็นธรรม ม, มาบ๊ิดพระองค์จะเข้าใจเนื้อความนี้ว่าอย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้น นี่คือสามัญญผลที er LE ่เห็นประจักษ์ใช่หรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในกรณีเช่นนี้นั่นจะเป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์อยู่เป็นแน่มาพพิธนี่แหละคือสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันซึ่งอนามพ้าบัญญัติถวายมาภพิธเป็นข้อแรกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญร่องอาจจะบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ของการประพฤติพรหมจรรย์แม้ก็อื่นเหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่พระเจ้าข้ามาพิปิดข้อนี้อารมาภาพจะขอย้อนถามมาพิปิดโดยควรมาระพะปิษจะมีความคิดว่าอย่างไรถ้าบุรุษผู้หนึ่งเป็นชาวนาหรือเป็นเคราบดีซึ่งเสียค่าอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ยุคนหนึ่งเขามีความคิดอย่างนี้ว่า คติของบุญวิบากของบุญนั้นน่าสัจจ์นนะักไม่เคยมีมาเลยความจริงพระเจ้าเป็นดินที่พระนามว่าอาชาติศัตรูผู้เวเทหิบุตรพระองค์นี้ก็เป็นมนุษย์แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระองค์เอือพิ่มเพียบพร้อมด้วยการาคุณทั้งห้าให้เขาประคบประงมอยู่ส่วนเรานี้สิเป็นชาวนาเป็นเกลือบดีต้องเสียค่าภาษีอากร เพิ่มพูนพระราชทรัพย์เราพึงทำบุญจะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่านถ้าอะไรเราพึงปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดบวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องที่เรือนในสมัยต่อมาเขาก็ละกองโภคทรัพย์น้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือน เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องแล้วเมื่อเป็นผู้บวชแล้วอย่างนี้ก็สมรวมกายสรมรวมมาจดาสมรวมใจอยู่สันโดโด้วยความมีอาหารบินทบาตเป็นเครื่องบริหารท้องมีชีวรเป็นเครื่องบริหารกายยินดีในความสงัดแ้าพวกราชบุรุษจะพึงกราบทูลพฤติกรรมของเขาอย่างนี้แล้วพระองค์จะกล่าวกับบุคคล น, นั้น นี้หรือเปล่าว่าเจ้าคนนั้นเจ้าจงมาจงเป็นชาวนาเป็นขรรดาบดีเสียค่าภาษีอากรเพิ่มพูนทรัพย์ตามเดิมพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ตรัสตอบอย่างนี้ว่าข้อ น, นั้นจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้เลยอันที่ยิงหมอมฉันเสีอีกควรจะไหว้เขาควรจะลุกรับเขาควรจะเชื้อเชิญเขาให้นั่งควรจะบำรุงเขาด้วยจีวรบินบาตเสนาสนะ และขี้เลยนะปัจจัยเพศับริการและควรจะจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองเขาอย่างเป็นธรรมหมาบาพิษพรองจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นนี้คือผลที่เห็นได้โดยประจักษ์ของการประบรุษพรหมจันทร์ไม่ใช่หรือถ้าแต่ปรองผู้เจริญถ้าเป็นในกรณีนี้ผลของการประบรุษพรหมจันทร์ก็เห็นได้โดยประจักษ์อย่างแน่นอน ก็แต่ว่าพระองค์อาจจะสามารถบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันแม้ข้ออื่นที่ดียิ่งกว่าที่ประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์เหล่านี้ได้หรือไม่มาบพิตรพระธากนเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระรัตนตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะ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 ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งเสมณ ร, ราหมณพร้อมทั้งเทวดาลและมนุษย์ให้รู้แจ้งตามทรงสแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางและงดงามในที่สุดทรงประกาศพระมจรรย์พร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพเพียญชนะอันบริสุทธิ์ประดุลสิ้นเชิงขรรเบดี หรือบุตรของขถาบดีผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วได้ศรัท ธ, ธาในพระตถาคกฏเมื่อได้ศรัท ธ, ธาแล้วย่อมเห็นตรนักว่าครวญนั้นขับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่บุคคลผู้กรองเรือนจะประฤติดประมา์ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดแล้วนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยถ้าใครเราจะพึงปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดก็ในสมัยต่อมาเขาได้ละกองโพคาสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเหรือญแล้วเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ถึงความสำรวมในปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีวะบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้คุมครองทบานในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้ฉันโดดมหาบิดอย่า ah งไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยศีลเผยเธอในากรณีนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และตราสิแล้ว มีความละอายมีความเป็นดูหวังประโยชน์เกือ้อกูลในสัตว์ทั้งปวงเรนั้นละการถือเอาทรัพย์ที่ชะของไม่ได้ให้ถือเอาแต่ของที่เจองให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่เรนั้นละการมมันเป็นค่าศึกกับพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากการเสพเมทุนอันเป็นของชาวบ้านเธอนั้นเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกเธอนั้นละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดคือฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น เพื่อให้แตกจากคนข้างนี้หรือเมื่อฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้แตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้พร้อมเรียงกันเป็นคนยินดีในความพร้อมเรียงเป็นคนพอใจในความพร้อมเรียงกล่าวแต่ว่าจะที่จะไำให้เกิดความพร้อมเรียงกันดังนั้นละการกล่าวคำหยาบเสียกล่าวแต่คาที่ไม่มีโทษสนอสโสด เป็นคำที่ให้เกิดความรักความฟูใจเป็นคำที่ชาวเมืองเขาพูดกันเธอนั้นละการกล่าวคำเพ้อเจ้อพูดถูกการเป็นคำจริงมีหลักฐานที่ตั้งที่อ้างอิงเป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่ว่าจะที่ประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาเธอเว้นกาดจากการพรากเพื่อชะ k a มและปูตกรรมเธอฉันอาหารวันหนึ่งหนเดียว เว้นการฉันในราตรีและในเวลาล่วงการเธอเว้นจากการฟ้อนรําขับร้องประโคมดนตรีและการดูกะละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่คุศโสรตำเธอเว้นจากการทัดสวงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเธอเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เว้นการจากการรับทองและเงิน เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสทั้งชายและหญิงเว้นขาดจากการรับแพะแกะไก่สุกรช้างมา้าโคลาเว้นขาดจากการรับไร่นาที่ดินและการเป็นทูตให้เกับปรดเว้นขาดจากการซื้อการขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่าง ของปลอมด้วยเรื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับศินบนก่อนล่อลวงการตล่มตแลงเว้นขาดจากการฆ่าการจองจำการฉกชิงปล้นและกันโชคต่อจากนั้นได้ตรัสถึงเรื่องมัชิมศีนมีการเว้นขาดจากการพรากพืชคามพุทธคามและการเว้นขาดจากการบริโภคของที่สะสมไว้เว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนัน หรือการกล่าวถ้อยคำกัดแยง้งและการประกอบการเป็นผู้รับใช้เป็นต้นได้ตรัสถึงการเบนขาดจากการเลี้ยงชีพด้วยเอกสารวิชาได้ตรัสถึงการเป็นผู้คุ้มครองทวารนใ น, นสีทั้งหลายความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะและได้ตรัสถึงความสันโดษว่าพิสูจในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้สันโดษ คือยินดีตามมีตามได้ด้วยชีวรเป็นกุเริงบริญานกายสันโดษด้วยบินบาตเป็นกุเริงบริญาน ท, ท้องพิสุทนั้นจะลีกไปสู่ทิศภาคใดก็ย่อมถือออบาตและชีวร น, นั้นลีกไปโดยทางทิศนั้นๆเบียเหมือนนกมีปีกจะบินไปโดยทิศใดๆดก็มีปีกอย่างเดียวเป็นบาระที่บินไปมหาปพิต พิสุดนั้นประกอบด้วยกองศีลคือศีลขันมีอินทรียสังบอมีสติสัมปัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซ่องห้วยท้องถ้ำป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟังในเวลาเป็นภายหลังหาร กลับจากการสแสวงหาหารแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์นั่งกายตรงนำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าละความเพ่งเล็งมีจิตปราศจากความเพ่งเล็งเพื่อพิชารณละความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ย่อมละ ความง่วงซึมคือถีนามิทาเป็นผู้ปราศจากความง่วงซึมมีสติสัมปชัญญะกอยชำระจิตจากความง่วงซึมคือถีนามิทาอยู่และความฟุ้งซ่านราการใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในเป็นผู้ละวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแยง้ง ข้ามล่วงความเคลือบแคลงในกุศลธรรมหลังหลายชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงได้ฉังนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ทั้ง5ประการที่ละเสียได้ในตนเองแล้วเป็นเช่นกับการหมดหนี้การหมดโรคการหลุดจากเรือนจำการพ้นจากความเป็นทาตและการบรรลุถึงที่พ้นภัยก็ย่อมปราโมทบันเทิงใจ โสมนั้เพราะข้อนั้นเป็นเหตุเมื่อปราโมดแล้วปีติย่อมเกิดกายของผู้มีใจปีติย่อมสงบประงับผู้มีกายสงบประงับย่อมสุบเบสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่นั้นครั้นสังกัดจากกามและสงัดจากอากุศลรมทั้งหลายจึงบรรลุปถมฌาน อันมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในตมันได้อีกประการหนึ่งเตินั้นเพราะความพองใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์จึงบรรลุฌานที่สองและวเตินนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งปีติเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ สบายสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สาและแต่นั้นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกอนจึงบรรลุฌานที่สี่แต่นั้นกันจิตบริสุทธิ์โปร่งใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หว่นไหวเช่นนี้แล้ว ย่อมน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานัทสนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้มีรูปประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่เนืองนิดก็มีการแตกสลายกระจกระจายเพราะกษาไม่เที่ยงนั่นเองเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ าอาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ม้าบพิษนี่แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าประเด่ยิ่งกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆเกินั้นครั้นมีจิตบริสุทธ์ปองใสไม่มีกิเลสปรสาศจากคุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแกการงานก็น้อมจิตไปเพื่อนเนรมิตรูป อันเกิดแต่ใจคืนรนมิตรกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนบุคคลพึ่งชักไส้ออกจากยาบล่องเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่านี่ยาบล่องนี่ไส้ยาบล่องอย่างหนึ่งไส้อย่างหนึ่งก็แต่ไส้ชักออกจากยาบล่องนั่นเอง หรือเปรยียบเหมือนบุคคลชักดาบออกจากฝักเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่านีดาบนีฝักดาบก็อย่างหนึ่งฝักก็อย่างหนึ่งก็แต่ดาบชักออกจากฝักนั่นเองมาประพีนี่แหละคือสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อกันก่อ น, อนและเมื่อมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์อย่างนั้นแล้ว ก็น้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีคือคนเดียวแปลงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายก็ได้เป็นต้นเปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือของช่างหม้อผู้ฉลาดเมื่อนวดดินดีแล้วต้องการภาชนะชนิดใดๆพึ่งทําภาชนะชนิดนั้นๆให้สําเร็จได้ หรือเปรียเหมือนช่างงาหรือลูกมือของช่างงาเมื่อแต่งงาช้างดีแล้วต้องการเครื่องงาชนิดใดๆก็พึงทําเครื่องงาชนิดนั้นๆให้สําเร็จได้หรือเปรียบเหมือนนายช่างทองหรือมือของนายช่างทองผู้ฉลาดเมื่อหลอมทองดีแล้วต้องการทองรูปประพันชนิดใดๆก็ทําทองรูปประพันชนิดนั้นๆได้ หมา ป, ปีตนี่แหละสามัญญผลที่เห็นได้โดยประจักษ์ทางที่ประณนี่กว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆแตนั้นแม้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปต่อที่พิยโสตาาธาตุคือได้ยินเสียงสองชนิดคือทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยที่พิยโสตาาธาตุอันบริสุทธิ์หมดจด ล่วงโซต่ตากของสามัญมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลเขาจะได้ยินเสียงกลองบ้างเสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบันดา บ, บ้างเสียงเปิงมางบ้างเขาก็จะพึงเข้าใจว่านั้นคือเสียงกลองเสียงตะโพนเป็นต้นมหาบพพิสนี่แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าประณีตกว่าสามัญญผล ที่เห็นประจักษ์ในข้อกันก่อนและเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสก็น้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเพื่อจุตูป ป, ปาตญาณและเพื่ออาสวัคยญาณมหาปิฏนี่แหละคือสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าประนีนยิ่งกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อกันก่อน หมาปพิษก็สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อหนึ่งที่ดีกว่าประดนีดกว่าสามัญญผลในข้อนี้คือดีกว่าอาสวะขยายา น, นี้ย่อมไม่มีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้เริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะัก เหมือนการหงายของที่คว่มอยู่เปิดของที่ปิดอยู่หรือบอกทางแก่คนที่หลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นแต่นี้เป็นต้นใบข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญต้นได้ครอบงำหม่อมฉันที่เป็นคนเก่าคนหลงไม่ฉลาด ได้โปร่งพระชนมายุของพระบิดาผู้เป็นธรรมราชาเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับซึ่งโทษโดยความเป็นโทษของข้าพระองค์เพื่อความสํารวมระวังต่อไปเถิดพระเจ้าข้าในภายหลังจากที่พระเจ้าชาติศัตรูได้เสด็จกลับไปแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย พระราชาปโปร่งนี้ขุดรากตัวเองเสร็จแล้วถอนรากตัวเองเสร็จแล้วหากเท้าเธอไม่ปรงพระชนชีพของพระบิดาผู้เป็นธรรมราชาไซธรรมมจากสุอันปราศจากทุลีปราศจากบนดิ น, นจะต้องเกิดขึ้นกับพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้ณนะที่เธอนั่งอยู่นั่นเดียวสามัญญผลสูตรจบฟังธรรมคาบุต t